นั่นเลยที่เรื่องกังเสติน่ปานาสตินี่นะกำนดูลงอย่างนี้จะลงสถีจิตอย่างสงบเงียบคงคงจิตม่ร้อูกับลมอ ย, มอย่ไปวิป่งนี้ออกไปเสดกคิดเล็มัน กิจสมนเคือกิเลสไปไปหาอดีตหานผ่านไปแล้วอดีตนะครับก็ยังไม่ถึงอยากไป้ใจอะไรเเห็นการตุ้ั้คือลงเข้าลงอกคือเห็นเข้าเห็นออกเห็นเกิดเห็นดับเห็นเกิดเห็นตาย การสมาธิก็บอกหลายครั้งไม่เข้าใจต้องให้มีฐานมีที่ตั้งเขาจะทำอะไรเขาก็ต้องมีที่มีฐานถ้าไม่มีที่มีฐานไม่มีที่ตั้งของจิตไม่มีอนนั้มันจะสมบได้อย่างไรต้องให้มีที่มีฐานมีหลักมีฐานเลือ เอาฐานสมาธิให้มันถูกจดีพี่ใชมันมีทั้งหมดเกียรตฐานไปจามือหน้าผากขมมคอหน้าอกท้องสะดือเราเห็นตรงนันมันชัดกอเอาตรงนั้นถ้าเอาตรงนั้นแล้วจะปเปลี่ยนง่ายทำเป็นเดือนสองเดือนถ้ามันไม่สงบที่เปลี่ยน ทำบริการทำโฆาพวนั้นเอาให้มันถูกจนิสัยขงหมันร่าห่ายมันเด็นห่ายดน่ายสะดวกสบายนิสัยการดูน่การเด็นหน่กันสะดวกสบายจะอาณาจักรนสตยเอาคุณฑร ว่าถ้ามันบ้าง่ายมันสะดวกสบายมันดูง่ายเหนง่ายจิตก็ไปจับเอาจิตก็ไปดูง่ายเห็ง่ายดูคำมฏิกรร ม, ม, มทำพวันงานพวกนี้เอาได้แล้วก็มาตงเลยท่านเดยท่านสติก็เริ่มเร็วเลยนะคำปฏิกรรมอะไรก็เหมือนกัน สุดท้ายม so so ันก็จะเหลืออยู่ลมหายใจไม่เอายุ้งน้อน้องเลยลมหายใจเลยไม่เอาพุทโธเอาไปมาก็จะเหลือลมหายใจเลยถ้าลมหายใจมีจ็บเยๆลมหายใจลมหายกายวิมคือลมหายใจหายเลยสุดท้าย เอาคำบริกรรมคำภาวนาความเหมือนกันก็มารู้อยู่ที่ลมอย่างเดียวยสุดท่านลมหายใจไม่มีจึงจะเป็นอัปนาฌานอัปนาสมาธิเลยเครื่องวัดของฌานของสมาธิก็คือลมหายใจถ้าลมอยากว่าละเอียดลมก็ได้อุปจะลัสสมาธิถ้าลมละเอียดว่า ลงหายใจมันก็ได้อปานาสมาที่ว่าเอาทำมริกรรมนี้ก็ตามให้จิตไปจับให้จิตไปเกาสหัเราฝึกว่ายน้ำทาบือกรรมอะไรก็ได้อุปรกรณ์ที่ฝึกว่ายน้ำอาจจะไปต้นไม้กดุ้บอลก็ได้มะ้าแหง ใบกล้วยใบยางดงนเอาไปาไปอ ก, ไ ป, กไปเกาะไปฝึกให้มันเป็นให้มันชิมิชํมนานเท่านั้นอุปรกรณ์คำบริกรรมก็เมนกันเอาไปเอามาเพื่อให้จิตมันจักมกกันเกาะ มายึดตที่คำไม่คำเราก็จะได้จับเาจิตจับจเาจิตได้เมื่อได้จิตทังจิแล้วลให้ใจพูดโทยุบหนอพองหนอมันจางทาย้ะไปเราไม่ต้องการอย่าไปหามายการไปไหว้าม่มันกันเมื่อเราไม่้ขอบแก่ฉันฉันนั ายางรุยนต์ไม่ต้องการเก็บที่ใด น, นนะานท่อน้วยท่อนไม้ไม่ต้องการนะ ม, มันเป็นอะไรอรอกมาชนานแล้วทำบริกรรมก่อเป็นเครื่องกาะเครื่องจากของกิตให้จิตไปเยียมไปเกาะอยู่ที่นั้น เพื่อจะจกากเอาจิตนะจิตสงบแล้วคำบริกรรมจางาไปไม่ไปอย่าไปค้นขึ้นมา อ, อยาน่นีว่านะขึ้นมาอีกมันหายแล้วก็รู้ว่ามันหายก็ไปอยู่กับผู้รู้ถ้าเราค้นนะอุปกรณ์มาอีกคำบริกรรมขึ้นมาอีกมันก็ยากอย่างจิตมันนักอีก อยากมันเบามันึบ้างปล่อยทิ้งไปเนี่ยเข้าใจมันจะมีแต่ความรู้รู้เลยจิตคืองคู่รู้เลยไม่ได้กิจถึงนกิจเนี่ยคำวิธีการเราไม่ต้องการอุปกรณ์ที่ไปว่ายน้ำเราไม่ถือไปดอมันหนักมันเหนื่อยมันใช้พลังเราก็จับเราก็ จับเอาจิตเลยกิกรรมเมืมม่อชนานาญแล้วเมือม่อเปนชนาญนจับเอาจิตปัเลยจับเอาจิตจิตเพื่ออะไรจิตเพื่อผูอ้รู้วูาจับเอาจิตจับเอาผู้ ร, รู้อยู่ที่ฐานน่ะฐานไหนที่เราไปตั้งเอาสติไประลึกรู้อยู่ที่ฐานลงให้ใจมันกรจายคายให้ไป คำะือกรรมอื่นถ้าชงานยมมันไม่ไม่ไม้มีไม่ได้ใช่เอาสติไปตั้งอยู่ที่ฐานนั่นเลื่รู้รู้รูเฉยอยู่นั่นนะจับเอาคนรู้เลยไม่ต้องไปจับเอาคำมือกรรมไม่ต้องไปเอากหนลงมือไหวก็เลย ทำไปทำมาหมดชั่ชนาได้หมดเป็นหมด่ีระอย่างเดียวเวลาทอย่าเอาจิตไปเสพกับมันนั้นโบราณว่าหลีกกาลีาหลีกเบวาหลีกนผ่านหีม่านีนผ่านีลนีอย่าไปใกล้กัมันอย่าไปเสพมัน มานพวกนี้ท่องได้ไหมล่ะกิเลสมานความคิดอยากได้สมาธิอยากห้องนั้นเดินอากาศอยากได้จิตลิปปะติหั น, ยนอยากเป็นอย่างนั้นอยากเห็นอันนี้คือมานกิเลสมา น, น, มานต่อไปก็ขันธ์ทำานความปวดแ่บปวดขาปวดหลังปวดเอวขันหน้าขันหลัง อย่าเอาจิตไปเสียกับมันนั่นละม่านเวทนาเพาะว่าขันธ์ม่านเพราะว่าอย่าไปเสียกับมันอย่าไปรู้กับมันให้มารู้ที่จิตจะาของ ม, มารู้ยที่ลมหายใจเอาไว้ามาอาพิสังขันธ์ม่านความคิด สงสารถึงสงสารนักทานได้นั่งอยู่บกโขเรียกว่าวามันคิดเปี่ยนความคิดเดลี่ยนฉันงูพิษคือกิเลสคือมานต้องเข้าใจอย่าเอาไปเสียบอย่าไปจับงูอสวรรคพิษอภิษัมภัณ มันเลื่อยไปมันคิดไปเรื่องอะไรก็สร้างหัวมันอย่าไปเสพกับมันอย่าไปจับมันอย่าไปจับคุกมันเดี๋ยวมันไปช็คเราใจเนี่ยเดี๋ยวใครได้ป่วยงูพิษนะความคิดกับมันกันมันต้องไปเสพไปรู้กับมันปไปทิ้งไปเลยหนีไปไกลร้อยลีพันลีได้ยินไหมหล่งเง มีแต่ผีบ้านแหละมนดูความคิดเขาให้ดูลมให้ใจสวนทางกันความคิดเกิดแล้วก็ดับเท่านั้นใครเป็นคนคิดไม่มีใครคิดอารมณ์เก่าไหลออกจากจิตที่จําได้ไหมออดูเอาแต่อดีตพอจิตเจ็สงบจิตจะว่างอารมณ์พวกนี้จะมาไหลออกมาทันทีเหมือนกับน้ําไหลออกจากบอ่อมันไหลมาอย่างไรไม่รู้่ะ กาน้ำอยู่ในดินนั่นแหละอารมณ์อยู่ในจิตเราเนี่ยมันไหลออกมาเขาเรียกว่าขันหานทำ ง, งานอารมณ์หมดคือลูกภายหนจิตก็คือลูกภายในความคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นก็คือมโนวิญญาณเกิดขึ้นว่าเราคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็คือขันหา ก็คือน้าลูกกับน้าเกิดแล้วก็ดับแล้ว เ, เลยไม่เห็นเกิดเห็นดับแล้วมีแต่คิดไปแต่พึ่งแต่พือแล้วอ่าปล่อยจิตวิ่งไปจะปลอมวิ่งตามความคิดวิ่งตามโลกวิ่งตามอารมณ์อยู่มันไม่จบเรา เอากับมาตั้งสติโนโลมให้เราอยู่อยากไปรูมัเอามาเสีกับนักป่าดมจิตคือผู้รู้อาศัยอยู่ที่ลมหายใจสวนทางกันมันยิงไม่ได้จิตไม่เห็นจิตสักทีตกเบ็กเอาปลาภาวนาเอาิไม่เห็นจิตสักทีเลยจิตคืออะจิตคือผู้รู้ กูรู้อยู่ที่ไหนกูรู้ไูรู้ว่อยู่ในลมหยายใจตัวยานตัวยานนี่คือตัวรู้ตัวลมกคือตัวยินวิญญาณคือจิตมันอยู่ไหนอยู่ในวิญอยู่ในยานยานกับิมันอยู่น้นท่านึงเรีกกยกว่าวิญญาณญญารู้อยากวิญญาณล่ะงา วิญญาณก็คือจิตจิตก็คือผู้รู้ผู้รู้กือผู้พทโธนะภาวนากิจก็เอาภาวนาอาพุโธนี่ภาวนาผู้รู้นี่เห็นผู้รู้เห็นผู้พทโธเห็นผู้รู้ก็เห็นจิตเพจิตคือผู้รู้ต้องเข้าใจไนพวกเป็นบ้านมันจไปเห็นภาพเห็นแสงเห็นสีเห็นเสียงอะไรก็ไปจับเอาจับเอาแสงเอาสี ว่าดนตายที่ทำเราลูยเอาไปก็ไปเกิดเป็นลิมิตต่างๆขึ้นมาใช้น้ำน้อยน้ำดูตลอดวันตลอดคืนเอาไปรีนมาก็เป็นชันบนสุดต่อให้เป็นปนิพลลสมีหรืคนเนรีนนิพพัลลัสมีัหยล่ะวัดนี้มีไหมนิพพัลลาสนี้น นั่งดูความคิดจ้าของหาว่าเจ้าของบอรร ล, ล, ล, ลุเป็นพระอรหันต์แล้วบรรลุมั่งผลนี้พ่านแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วใครบอกก็ไม่เชื่อเพาอะไรก็มึงมาก็เป็นบ้าท่านเตะไม่ได้สติสตานอะไรพอมันดูอันนี้มันดูอันนี้เนะี่ยมันทําให้ปิติสุขเกิดขึ้น นอนไม่หลับดูตลอดวันตลอดคืนดูไป ก, ก็มาก็เกิดเป็นเสียงเป็นภาพ เ, เป็นเสียงคุยกันได้บอกว่าม่ง ม, ม, ม่มิ่งู้เดียวเลยแล้ววันี่บาดเขาวาดที่บาดไปเขียยขีและแมงเป็นโลกขีและวมง็นไหนกลัวเขาจะว่าจะร้องเป็นบา้าอย่างเดียว เอาแรงมาจิตกับทางเป็นบ้านรจริงจจิตกับทางไปเห็นเสื้อผาดผ้าผาดเขาคล้องที่อยู่ข้ามถนนนั่งทางเดินไปอยู่บ้านไม่ได้มีแต่เดินอยากไปมานีเ่ยเหมือนกับหมาบ้านให้ไม่นอนอยู่ในที่เลียนอยู่องที่บ้านของวิ่งออกไปเที่ยงนะไปเห็นคนอื่นก็กัดไปเรื่อยเ มาตัว อ, อันนี้ก็ามาบ้าเนจิตมันเป็นบ้าท่านจึงเรียกว่าวิปัสสนุกิเลสเอาไปไม่ใช่วิปัสนาเอาไปาว่าวิปัสนากลายเป็นวิปัสสนวิปัสนุกิเลสเป็นกิเลสเป็นภัยอันตรายต่อวิปัสนานะ วิปัสสนูกิเลส น, นี่ยต่อไปถ้าหลมทางหลมทางเสียเวลาหลมภาวนาเป็นวิปัสสนาเกอดจากนี้ยนั่งสมาธิไปที่แรกก็ไปเห็นแสงโอภาสแสงอ า, าภาโสาฉายลงมาสว่าง สไมดป่องใสขึ้นมาไม่ใสแท้มันหลบเอาไปมาก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็นแสงอื่นสีอื่นขึ้นมาสลับกันเอาไปมาก็กลายเป็นภาพเอาไปมาเกิดเสียงขึ้นมา ก็จ <Hmmm> ิตเจ้าของนั่นแหละแสดงเป็งเพศขึ้นมาหล่อเจ้าของใครอยากมาแสดงให้ดูนั่งอยู่นั่งอยู่นี่พวกพิบาตมันก็เห็นนะมันไม่นั่งเองนั่งธรรมะที่มันมานั่งดูจิตพวกพิบาตดูความคิดเจ้าของความคิดก็กลายเป็นภาความคิดนี่กบบเป็นหุ่น คิดไปเรื่องอะไรกับภาพนะเป็นหุ่นเป็นภาพมาใชาเ้เสจอหนังเกี่ยวของใใจจอไอ้ใจก็เราก็เลยเห็นอันภาพนั้นภาพนี้ขึ้นมาอาพาโสเนี่ยอันที่แรกที่ประสนโกิเลสสิบอย่างม <c oughs> ีอยู่สิบอย่างหนึ่งอาภาโสสองส ต, ติสามปัจสถธิ 4. อธิโมก 5. ปักขัง 6. สุ ข, ขงัง 7. ์เจ็ดยาหนังแปอุปอัฏฐานาัน 9. อุเบกขา 10. นิกันตินิพพานุกิเลสมีอยู่10อย่างที่เราคุ้บ้านน้อมอยู่ที่แรกก็เสียงอาพาโซน ภาษาบาีว่อาพาโซแสงโ อ, าโ อ, าโอาภาสโอภาสภาษาไทยอันมโอภาภาษารีว่าอาพาโสแสงสว่างแสงอะไรก็ตามที่มันจะความแปลงขึ้นมาหลอ ก, ลอกแสงเป็นสีเปลี่ยนสายลุ่มลุมเก็บสีวิ่งไปวิ่งมาห่อขึ้นฟ้าก็ได้แสงล้มดินไปก็ได้ เป็นทำให้แบบประหลาดอัศจรรย์ขึ้น ม, มาคนภาวนาวิปัสสนุคนภาวนาเป็นใหม่ดันรุ่นภาวนาภาวนาเป็นใหม่ๆหม่ก็คิดว่าเจ้าของได้ทเยินทำก็เปิคว้าเอามากมากต่อไปตัว ต, ตายจะเป็นข่าจางๆเป็นนิมิต พอแปลงเป็นร้อยคนพันคนแล้วเรื่องพันเรืองเป็นสวรรค์เป็นนรกเป็นเปรตไปรู้หมดนี่อาภาโซพอเป็นอย่างนี้ขึ้นมากเกิดปิติความอิ่มใจขึ้นมาก็ี่ยพอยเห็นอื ม, มอ่ใจขึ้นมาพออิ่มใจขึ้นมาแล้วก็เกิดปัจฉิตร ความสงบสงบยิ่งเกินพอดีนะสงบไม่อยากลุกแลนั่งอยู่ ก, กับผก็เพื่อนไปปฏิบัต่างก็ไม่อยากลุกแตมันเข้าสมาธิตอนไหนวันแต่มันไม่ถึงสมาธิใหญ่มันแค่เป็นอุปจระสมาธินางปักแมงปิ้งเกินมากเลย เขาสมาธิท่านี้ก็ได้เขาท่างนั้นก็ได้เขาท่านจงุท่าก็มองเขาท่านไห้ก็ได้แน่ขึ้นมากมันทาท่าสงบเรียกร้องให้เราสนใจอย่างให้เราสงบเราจะได้ใช้หนังน้อยมันจะแสดงกลมันยาต่อไปอันนี้เรียกว่าบัตรสมธิสงบยิ่งเกิดพอดี ใครเป็นบ้างไหมนะเกินพอดีไหมอันที่สี่ก็อธิมโมกมีความเชื่อมั่นในตัวเองเด็ดขาดพอก็เห็นนิมิตเห็นอันนั้นอันนี้เห็นด้วยตาจิตใจใจของใครบอกก็ไม่เชื่อมีความเชื่อในนิมิตที่จะต้องเห็นอธิมโมก มันไม่อยู่ไห น, นอยู่จิตของเรานะปักค้างน่ะความเพียรยิ่งเกินพอดีเลยโอ้ยไม่อยากทําอะไระมีแต่อยากนั่งอยากทําอยากเดินอยากนั่งอย่างเดียวเกินพอดีหมูเพื่อนเขาทําอะไรไม่อยากลงมาแหละนั่งโยกบุดินนะ่ะมันจะเสียเวลาเวลาไม่พอใช้ว่านันนะ โอ้วิปัสสนูนี่มันเก่งเหมือนกันนะไม่ยอมให้ลงจากสติเลยนั่งอยู่นั่นเดินอยู่นั่นไงนนปัจค้าหะความเพียรยิ่งเกินพอดีนี่ว่าละโหเกินพอดีอยู่นี่เนะเขาลงมาทำข้อวัดจิตวัดก็ไม่อยากมามาทํางานส่วนรวมก็ไม่มาแล้วนี่แหละปัจข้าหะมันะเกิดขึ้น ความเพียรนีเกินพอดีต่อไปก็สุขขังสุขขังหรือสุ ข, ขังมีความสุขเกิดขึ้นสุขเกินพอดีลนั่งตลอดวันก็ได้สว่างก็ได้ตลอดวันตลอดคืนก็ได้ชัน้นมาถึงตอนนี้สุขขังมี ความสูงยิ่งเกินพอดาที่หาเทียบไม่ได้ไม่อยากไปไหนเลยต่อไปก็ตัวที่ญานังญานังมีปัญญาปัญญามากพวกงี้ปัญญาเกิดจากจินตนาการเกิดจากความคิดต่อความคิดไปก็เห็นอันนั้นรู้อันนี้เกิดขึ้นมา เป็นอัจฉริยะหรืคนพูดชัดๆใครมาพูดเรื่องอะไรรู้หมคอยหัวแหล่คอยคอยแล้วไม่รู้ไงที่ไปให้เขาฟังว่าจะของบรรลุแล้วเป็นแล้วเห็นแล้วความรู้ยิ่งเกินพอดีมันก็เป็นรู้แต่อดีตอ น, นาคตนะขาดปัจจุบัน น, นั้ทำยังไงอืม รู้ยิ่งเกินพอดีอุปัฏฐานนังสกิสติเจกายิ่งเกินพอดีอีกไม่กลัวใครในเรื่องสติปัญญาอุเบกขาโดยเทกาเชิญใครว่าอะไรไม่ตื่นไม่รู้สึกตัวหรอกคนมา แต่มาเตือนน่งเจู้รู้แล้วไม่ต้องมาเกี่ยวเพราะว่าเป็นบ้านนีไ่ไดซูนะ่ะเป็นบ้านพวกเนี้ยตัวที่สิบก็นิกันติมีความยินดีพอใจในวิปัสสนุกนัตัวที่เห็นมันตัวนิการติครอบหมด มนะันเป็นเกิดขึ้นไ ม, ม่ได้ไม่แยกกันนะรวมๆกันเป็นอันเดียวกันแต่พูดแยกกันเนี่ยบังเฉยแล้วแสงตับลูกเสียงกินนิดเกิดขึ้นมานเป็นหนังน้อยขึ้นมาเป็นเรื่องกันราวเลยยิ่งแล้วพวกที่ได้ปริยัดเรียบปริยัดมาโอปัญญาเนี่ยอย่าไปเที่ยบเลย ปัญญาไม่ได้คิดไปจินตนาการไปเห็นอันนะั้นรู้อันนี้เห็นเข็มเห็นอดีตอนานะคตปัญญาพวกนี้ทําให้เราขาดปัจจุบันมีแต่อดีตอนานะคตทําให้ขาดปัจจุบันปัจจุบันนะั้นทำพวกนี้แหละมันจะมาปิดบงัง วิปัสสนมันมักจ ะ, ะติดบางปัจจุบันนะธรรมจึงเราจึงไม่รู้แจ่มแทนตลอดในขั้นห้าได้มันจะมาปกมาเกินเอาหมดจึงว่ามันเป็นอันตรายต่อวิปัสสนาเข้าใจไหมล่ะนะไปเห็นตั้งแต่อดีตอนาคต ไปมันกินแตมน่มันยปัญญานึกไปปรุงไปก็รู้หมดอัจฉริบุคคลยิ่งแล้วผู้ที่เรียนปริยัติมามากๆนะปัญญาจะครอบโลกไปเลยใครพูดอะไรอธิบายแก่ปัญหาประเด็นดคนมามนใหม่ก็หลงเชื่อเทพเทพบุ เทพคนฟังพระพ่ะดำ ก, อดอก็อยากออกซื้อเราอยู่บันท่ อ, อ, งองมอนี่ไรเทศเอาคนนั่นแหละขาดปัจจุบันนะท่มันไปคิดไปอดีตบังอานาคตบังสร้างจินตนาการฟ้าท่านจึงเรียกว่าเป็นภัยเป็นพิษเป็นภัยต่อวิปัสสนา วิปัสส น, นูทำไมไหวอย่างนีน้วิปัสนาคืออะไรวิปัสนาคือรู้แจ้งรู้แจ้งที่ไหนรู้แจ้งในขันห้ารู้แจ้งแทนตลอดในพระธรรมคำสอนอันนั้นบอกแสนแสบกันนะพระเจ้ารู้แจ้งในขั้นห้ารู้แจนะ้งในปัจจุบันธรรม นี่นี่ทำให้ขาดปัจจุบันนัรนทำที่ว่าเมื่อกี้นี่มันจึงเป็นอันตรายต่อวิปัสนาวิปัสนาคือมันย่อลงมาเท่านี้นะวิปัสนาให้เห็นปัจจุบันนัรนทอยู่เรียกว่าวิปัสนาไม่เป็นรู้ที่อืนียวิปัสนาฟังให้มันออกหน่อยเวลาาไปคิดมันจะรู้จักที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยมันไป กุลงไปตั้งแต่อดีตอนาคตสามจินตนาการไปจึงมาปิดบังวิปัสสนาปิดบังปัจจุบันนธรรมปัจจุบันนธรรมท่านหมายเอาขันห้าเกิดดับเท่นี้นะนี่แหละวิปัสสนาวิปัสสนูจึงมาปิดกั้นเอาไว้ไม่ให้เห็นปัจจุบั น, นธรรม เป็นอันตรายตอ่อวิปัสสนามันเป็นอย่างนี้อันตรายทําให้เราไม่เกิดปัญญาเป็นอันตรายตอ่อวิปัสสนามันเอาอาดีตอนาคตมาปิดกั้นเอามว่าเรารู้แล้วเห็นแล้ววิปัสสนามาันรู้ปัจจุบันไม่ไม่ได้รู้อะไรวิปัสสนาก็มารู้ปัจจุบันไม่ทานี่แหละปัจจุบันไม่ทำคืออะไร คือขันหน้ือดับเห็นความเกิดความดับธรรมะก็คือกากับใจทำทั้งหลายยอะแยอน้ำมาอยู่ใกล้กลับใจกากับใจก็คือขันห้าขั้นห้ามันทางานเห็นปัจจุบันนะี้ทำลูกนะทำนะ้ำทำนะยิงอาเซียนเกิดเห็นปัจจุบันนะี้ทำ วิปัสสนูี่ทําให้เราขาดปัจจุบันการทำเรียกว่าเป็นไทยต่อวิปัสนาไม่เกิดปัญญาผมนี่แต่จะเป็นบ้าอะไรหลงทางเสียเวลาหลอนภาวนาเป็นวิปัสสนาที่แล้วมันเป็นอันตรายต่อวิปัสนาอย่างนี้วิปัสส น, นูนะนะตั้งกลางให้เราเกิดสติปัญญา เิที่ปัศนาที่ปัสนาแปลว่ารู้แจ้งรูแจ้งซึ่งปัจจุบั น, นธรรมไม่ใช่เป็นรูที่อื่นปัจจุบั น, นธรรมคืออะไรคือความเกิดดับของขันห้าเท่านี้มันมีอะไรที่ปัสนาขันห้าคืออะไรรูเบทานาสัญญ า, าขันวิญญาณ ขันห้างมันเกิดดับได้ย่างไมันเกิดได้ย่งไมันดับได้อย่างไงนี่แหละนี่แหละนี่แหละเขามาให้รู้ตรงนี้วิปัสสนานูมันยังไม่ไม่เป็นอันตรายไม่ไม่ยอมให้เราเกิดปัญญาโดยแท้ปัญญาลู้จริงรู้แจ้งรู้แท้คือลู้ ความเกิดความดับเท่านี้ไม่ได้ไปดูอะไรหรอกอะไรเกิดดับขันห้าเกิดดับอะไรคือขันห้าหลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณ เ, เกิดกับดับพร้อมกันลูกกำนามเกิดกับดับพร้อมกันขันห้าเกิดกับดับพร้อมกันนี้ไม่ได้ไปดูที่อื่นหรอกที่ปัิศนาอะไรคือขันห้า อะไรคือท่านกับลูป ก, กับน้ำวิญญาณมามาปฏิสนธิในลูป ก, กับน้ำมันจึงมาสร้างอายตนะขึ้นวิญญาณเกิดน้ำรูกจึงเกิดวิญญาณมาปฏิสนธิในคขั้นของแม่ของพ่อข อ, ของแม่ เวลาพ่อแม่ร่วมสังวาดกันดินธาตุดินธาตุพ่อเรียกว่าโมธาตุน้ําหรือธาตุแม่เรียกว่านะนะกับโมมาผาสมกันน้ําอสุจิของพ่อมาผาสมกับน้ำประจันเดียนของแม่พ่อแม่นอนร่วมเพศกันตัวเราลงมาปฏิสนติ ในขันของแมในลูกกับนามวิญญาณที่ลงมาปฏิสนธินี่เป็นวิญญาณที่โง่ที่หลงหลงโลกหลงอารมณ์หลงสมุติเป็นอวิชาวิญญาณอวิชาสังขารอวิชาคือวิญญาณรู้ไม่จริงวิญญาณมันหลงโลกหลงอารมณ์หลงสังขารอยู่ จึงมาถืออาวิญญาณมาเกิดอีกหลงโลกหลงอารมณ์หลงสมมหลงสังขารหลงขันหจึงมาถืออาวิญญาณมาเกิดอีกเมื่อวิญญาณมาลงมาเกิดมันต้องหาที่เกิดวิญญาณไม่มีตัวไม่มีตนแต่ต้องหามาอาศัยอยู่ในตน อาศัยอยู่ในตัวในตในตอยู่ในถ้ำในภูหานมาปฏิสนธิในคันของเงเราจึงได้เป็นตัวเป็นตนเลินเติบโตขึ้นมาเพรามาสร้างตาหูจมูกดินกายใจไว้เพื่อรับอารมณ์ภายนอกนี่แหละมันไม่อยู่ใน ตาหงามมิกก้กใจก็คู่กับตาก็คือลูกคู่กับหูก็คือเสียงคู่กลิ่นลิ้นรสมันเป็นคูค่ใครของใครของเราอยู่เมื่อมันกระทบกันมันก็ส่งไปบ อ, อกใจใจก็น้อมออกรับอารมณ์มันกิขึน้นน้ำซีก็เกิดพอวิญญาณ อ, ออกรับอารมณ์จิตสเวยอารมณ์จำอารมณ์ กิจสวัสดิอ์เรียกว่าเวทนานี่แหละขันหมพอตาหูมูกินอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้อนอย่า ง, งา ใ, อาาใอาาดอย่างหนึ่งรับอารมณ์เข้ามารับนลกเข้ามารับลูกแสลบถึงรถอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามากิจนอนหม อ, อกรับอารมณ์วนน้ำสี่เกิดก็สเสวัอารมณ์ก็เรียกว่าเวทนา จำอารมณ์ก็เรียกว่าสัญญานำอารอารมณ์สัญญาไปประกอบจิตปรุงแต่งจิตก็เรียกว่าสังขารเนื้อคิดปรุงแต่งเสร็จแล้วน้องเหนี่ยวอารมณ์มาเกียกบไว้อีกดับนี่แหละเรียกว่าคันห่าเกิดกับดับฟ้องกันนี่แหละปัจจุบันนะัรมทำคอยหูเดินเสียงป๊า มันก็ไปบอกจิตเรียกว่าผัดสะแิญรู้ขึ้นก็เรียกว่าผัสะเมื่อผัสะเกิดกเวทนาจิตเสวยอารมณ์เวทนาเกิดถ้เาเ็องดีก็สุขจิตท่าถ้าเห็นของไม่ดีินของไมด่มดีก็ทุกข์อ น, นี้ทือโกรธ <c oughs> กอนเดียวกันนะ่ะเอามาก่อน นี่แหละขันห้าเกิดเข้าใจขันห้าเกิดไหมเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันลูกกับนามเองอาศัยกันเกิดเมื่อลูก ป, ประตูวิญญาณอย่ามาเปิดประตูไว้รับลมอยู่หกประตูมันไหลเข้าไปไหนก็สมไปบวกกิตทิพยพยากายกายทิพย์กิต นั่งรอรับข้างในเกิดกินอารมณ์ก็เรียกว่าเสวยอารมณ์าสักกว่าเสวย้ยเจ้าเป็นพระราชพูดเรื่องเสวยบานเข้าเอิว่ากินกิจกินอารมณ์เข้าไปก็เรียกว่าเรทนาท่านกินอารมณ์ดีเข้าไปก็เรียกว่าอิจานอ ก็เรียกว่าสุขคาเวทนาเกิดท่านแต่กินอลลูมพอดีพอมวลพอไปเรียกว่าอนิีฐานลมก็เกิดทุกคาเวชนาขึ้นนี่จิตเสวยลมหน่อยได้มจิตเวยลมเลยทนาแล้วสัญญาเกิดทันทีพร้อมกันนำจิตไปประกอบจิตใหม่เรียกว่าสังขารจิตจิตก็เลยกลายเป็นเจตสิก เตสิกพวงแต่งปุ๊บเสร็จเข้าพระบังใหม่เนี่ยมันเกิดยังไงอันนี่เรียกว่าปัจจุบันมันทำอัญญะมัญญะปัจจัยูกกับนาเป็นปิดปัจจัยเองอาศัยกันเกิดไพศาลวันี้เว่าอัญญะมัญญะปัจจัยเป็นปัจจัยเองอาศัยกันเกิดอัยตนะพายหน่อพายไม่กระทบนี ลูกภายนอกภายในกระทบกันวิญญาณเกิดขึ้นนี่กระเรียกว่าน้าลูกกับน้ำยิงอาศัยกันเกิดวิญญาณของรับรู้เขาเรียกว่าพักนาสัมผัสผัฒนาแปลว่าเต็ต้องแปลว่ากระทบจิตข้ออกกับเพื่อนของรับอารมณ์เ็าเรียกว่าวิธีจิตจิตไวอารมณ์เขรียกว่าไวท่านหน้าเนี่ยจิตทางานวิธีจิตคือจิตทำงาน อิจเสวยอารมณ์จิตจําอารมณ์จิตตัดสินอารมณ์จิตพิจารณาอารมณ์ตัดสินอารมณ์น้อมเนี่ยวอารณ์เข้าไปเจ็บเอาไว้ในใจอีกเป็นสัญญาเก็บเอาไว้ในใจแล้วก็เ ข, าข้าพวังอีพวังน้อยพวังคู่บัตดมันเป็นธรรมชาติเนี่ยเราสมาธิธรรมชาติขพวังคู่บัดคราวนี้ก็สมาธิเข้าไปพักนิดหน่อย อารมณ์ไหลเข้าไปกระทบจิตอ mm ีกเกิดข <met> ัสแยกับเพื ica, porque porque porque porque porque porque ่อบอกมานับอารมณ์หดทํางานอีกเรียกว่าวิธีจิดเกิแล้วก็ดับวันหนึ่งวันหนึ่งอารมณ์มาช่งหงานหงานหกกระถูกิีเลดคือกระพรอกาดน้องผูมั่นบากระพรอมกาดขึ้นบรนร้อยกระพรอมน้อยขึ้นบรรละพัน ตัวยังมาไม่ทันขึ้นวันนะหมื่นละแสนวันหนึ่งมันจะเกิดเกี่ยวข้ามคันห้ากเกิดตาไม่เห็นลูกหูก็ได้ยินเสียงหูก็ได้ยินเสียงจมูกก็ได้เป็นจมูกไดย ก, ก ล, ยลิ่นฤทธิ์ในรูปโพธิภพธรรมารมณนี่ยิ่งหนักนั่งอยู่เรื่ชนเกิดคิดถึงอันนั้นนี่ขึ้นมาธรรมารมณ์ก็คือลูกไปนอก ใจกลกุกภายนวิญญาณรู้ว่าคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็คือ น, นามลูกกับนามยิงอาศัยกันเกิดก็เรียกว่าทันห้าเกิดนี่แหละปัจจุบันนั่ทำวิปัสสนาพวกนั้นทําให้เราขาดปัจจุบันนั่งทำเป็นไทยต่อวิปัสสนาอย่างนี้วิปัสสนากับวิปัสสนามันจะกั้นกลางไว้ เขามาก็เลหลงทางเสียเวลาหลงภาวนามันยิ่งาลจึงมาขัดขวางต่อวิปัสนาวิปัสสน์จึงเรียกว่าคอันตรายต่อวิปัสนาถ้าใครไปเห็นเกิดแล้วหมดทางแจเยแยเพราะมันเกิดขึ้นมาแล้วมันเกิดอโขึ้นมาเิดกายต่อไปก็เป็น กายเป็นนิมิตต่างๆปีติเกิดปัจฉิเกิดอธิโมเ ก, าากเกิดปะข้าหะเกิดนั่นเกิดเพราะกันเนไม่เชื่อพวกง่ายๆบอกวิปัสสนูสุ ข, ขังยานังไปเรื่อยๆมันมีได้เกินพอดีหมดพวกนเนี่ยให้เร า, ารู้จักวิปัสสนูกิเลสคือกิเลสมากันกลางจิตเยืะอเป็นไทย ทำให้จิตเราเป็นภัยเป็นคิดเป็นภัยต่อวิปัสสนาถ้ามันเกิดขึ้นแล้วทำให้เราขาดปัจจุบันนั้นทำไม่เกิดปัญญาเลยอันนี้มากลางๆมีแต่ปัญญาวิปัสสนูหมดให้พากันเข้าใจมันเป็นอันตรายต่อวิปัสสนาทำให้เราไม่ได้เห็นมาผล้นพนัน จึงว่ามันเป็นไทยต่อวิปัสสนาเป็นอันตรายต่อวิปัสสนามันเป็นอย่างนี้นั้วมันเกิดขึ้นแล้วทำให้เราขาดปัจจุบันธรรมมันคิดไปปรุงไปก็คิดไปแต่เรื่องอดีตอนาคตเป็นกินตนาการไปทั้งนั้นเหลียวฉลาดมากเป็นอัจฉริยะบุคคลนะถ้าการเข้าใจนี่วิปัสสนูวิปัสสนาเนี่ยนะนะ ต้องเข้าใจต้องรู้จักมันอย่าไปเสพไปพบกับมันนะทำให้ขาดปัจจุบันนะั้นปัจจุบันนะั้นทำไม่ถึงเอาขันหักเกิดดับขันหักเกิดดับก็ดังที่พูดจริงขันหกักคือลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเกิดขึ้นก็ดับเกิดกับดับพร้อมกัน ลูกก็คือตามัองใน ม, มองดิ้งไงไนใจใหญ่นี่มากระทบพบกับลูกภายนอกนะนะคือลูกเสียงจินรสโภทพธรรมลมเนี่ยมากนะระทบกันเข้าไปวิญญาณเกิดลูกขึ้นจิตก็สวายอารมณ์จัมมารมปรุงแต่งอารมณ์ก็ดับเรียกว่าขั้นห้าเกิดเนี่ยเทนาสัญญาสั้งขาวิญญาณเกิด เกิดกับดับร้องกันเป็นปัจจุบันอย่างนี้เป็นปัจจุบันอย่างนี้ขาดปัจจุบันนั้นทำทำให้เราไม่เห็นปัจจุบันนั้นทำเข้าใจนะปัจจุบันนั้นทำหมายถึงเอาขันห้ากเกิดดับนั่นเองขันหาน้ามันอะไรอะไรมันเกิดได้ยังไงมันอาศัยลูกกําลังยิงอาศัยกันเกิด รูปหมายถึงตามของะมองลิงไกรเลยนี่มันกระทบกับรูปภายนอกรูปเส้งที่รปบดท่าะธรรมลมนี่วิญญาณรู้ขึ้นก็เรียกว่ากัณฑ์หน้าเกิดจิตน้อมออกรับอารมณ์ว่านามสีเกิดเรียกว่าผัสสะเมื่อผัสสะเกิดเกิดเวทนาจิตเสวยลมสัญญาจำได้ไหมรู้ จำอารมณ์จำโลกเสียงจินรสที่เราเห็นไม่จำที่มันก็นําเอาอารมณ์โูกเสียงจินรสเอาสัญญาอาไปแบบ ก, กวาดจิตใหม่ก็เรียกว่าเจ้แต่สิทธิ์ทที่ไปประกอบจิตใหม่ก็เรียกว่าสังขารจิตจิตนึกคิดพุ่งแต่งอะไรเรียบร้อยหมดจบเข้าพระวังนี่แหละขันห้าเกิดพบ เอาไปมาพบไหมอารมณ์ไหลเขาไปทางไหนก็ตามไปกระทบกิจไปสัมผัสกิเรียกว่าพัดสะเขาเรียกว่าพัดสะลูกภายนอกกับลูกภายในกระทบกันวิ ญ, ญญาณเกิดขึ้นก็เรียกว่าพัดสะเมื่อพัดสะเกิดขึ้นจิตก็กกสเสวยอารมณ์ก็เรียกว่าเวทนาสัญญาสังขารวิ ญ, ญญาณเกิดขึ้นดับ ที่เรียว่าขันห้าเกิดกับดับป้องกันเสมอนะพิสุจเข้าใจไหมนี่แหละวิปัสนาถ้าวิปัสนา ม, มันเป็นอันตรายต่อวิปัสนาไม่เห็นปัจจุบันนนะี้ทำแนวเราเห็นตั้งแต่อดีตอ น, นาคตมันครุงแต่งไปจินตนาการมีแต่จินตมายาปัญญาปรุงไปเรื่อนึกไปเรื่อ กินตนาการไปเรี่ยๆขาดแสงเสียงเกิดอยน่น้อันนี้เ ร, เรียกว่าวิปัสสนาขาดปัจจุบันธรรมที่ปรัสนาหมายถึงเอาปัจจุบันธรรมไม่ไปรู้ที่อื่นเอาง่ายๆแค่นี้แหละนี่ไม่เห็นทาให้เห็นอันนี้ก็ไปเห็นลมหายใจเขาออกนะที่นี้เมื่อกี้นี่พูดเรื่องสัญญา ขัหาขัน้าหยับหยาเกิดทวานหยับหยาทีนี้ไปขันห้าละเอียดทีนี้ปัจจุบันธรรมไม้เอาลงให้ใจเขาออกละเอียดลงไปอีกนะทีนี้ปัจจุบันธรรมไม้เอาความเกิดดับของขันห้า ขันมันซ้อนกันอยู่นี่แหละขันหยาบในที่เดีพูดไปที่นี่มันขันละเอียดลมหายใจนี่คือกายกายในหรือกายละเอียดกายละเอียดในลมหายใจนี่ก็จะมีตัวยานตัวผู้รู้จิตคือผู้รู้อาศัยอยู่ลมหายใจนะนี่แหละตัวผู้รู้นี่แหละคือจิต ตัวผู้รู้นี่แหละคือใจตัวลมหายใจนี่นะคือลูกลูกกำน้ำลมหายใจก็มีลูกน้ำอรไหมละ่ะมีกายกใจคือลูกกำนา้ามันเกิดยังไงลมหายใจเข้าลูกกำนมม้ำเรียกว่ากายกับใจเรียกว่านห้าเมื่อลมหายใจวิ่งเข้าไปในะกายก็เรียกว่าเกิด เห็นปัจจุบันธรรมเห็นขันห้าเกิดเอาใหญบ้างไหมน้อขันห้าเกิดเวลาวิ่งลงให้ใจวิ่งออกมาพ้นไปจต่หมูมันก็อะไมานทิ้งศพซากศพเอาไวเรียกว่าตายนี่แหละเห็นขันห้าเกิดเห็นขันห้าตายเห็นขันห้าเกิดเห็นขันห้าดำเห็นเกิดเห็นดับถ้าใครเห็นเกิดเห็นดับวันนี้ เห็นลมให้ยาเขาออกเห็นเกิดเห็นดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับไม่ได้ไปเห็นอะไรนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเนี่ยเข้าใจไหมล่ะที่เนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นธรรมดานี่ยสิ่งทั้งหลายเหล่านี้กมดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยเห็นเกิดเห็ดับนี่แหละปัญญาคือเห็น เกิดถึงดับเห็นปัจจุบันไม่ทำวิปัสสนูมันไม่เห็นเนี่ยพวกมันมันไปดูโน้นกินตนาการไปดูภาพรถเส้นแสงกินอะไรไปสลรพัดอย่างมันไม่เห็นวิปัสนาวิปัสนาไปว่ารู้แก่รู้แก่ซึ่งทันห้ารู้แก่ซึ่งปัจจุบันธม่ทำคือลงให้ยายเ่ออก เกิดดับสิ่งได้เกิดสิ่งนั้นก็ดับสิ่งได้เกิดสิ่งไม่ดับสิ่งนั้นต้องไม่เที่ยมมันมาเห็นอย่างนี้เลยมาเห็นอันนี้จังนี่แหละมาเห็นขันห้าไม่เที่ยมไม่จะไปเห็นที่สิ่งได้ไม่เทีย่ยงสิ่งนั้นต้องเป็นทุกข์ก็มาเห็นทุกข์ขันห้าขันห้าหหนี่แหละคือทุก คือกองทุกข์ก้อนทุกข์มันเกิดนั่นทำไมถึงทุกข์มันเกิดมันได้อย่านันจึงเรียกว่าทุกข์ น, นี่แหละทุกข์ในอริยสัจสที่เคยแสดงใน้ฟังเห็นรั้นห้าด้วยอริยสัจสีเห็นมันเกิดมันดับเห็นมันเกิดมันตายเห็นอริยสัจสีด้วยญาณสัมมไม่เห็นที่หนนี่แหละปัจจุบันนั้นทผู้ความเกิดดับเห็นขั้นห้าเกิดดับ เห็นทันหนาเป็นอนิจจังสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับเนี่ยปัญญามันเห็นเกิดดับสิ่งใดเกิดสิ่งใดดับสิ่งนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นสุขเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตา สิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นก็ไม่ใช่เราเราก็ไม่ใช่นั่นนั่นก็ไม่ใช่ของของเรามันเป็นสภาวะธรรมเองอาศัยกันเกิดเกิดแล้วไปไม่มีตัวตนใส่บุคคลไม่มีเรามีเขาอยู่ที่นั่นนี่เรียกว่าปัจจุบันไม่ทมคือความเกิดดับปัญญาในทั้งหมดสมเคาะเข้ามาแ่ช่่วมเข้ามาอย่ก็เบื่อหนทายความยดี ในลมห า, ายใจอาศัยผู้ภาอาศัยไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนสัตว์ขุงคนไม่ใช่เราไม่ใช่ป้มอมของเรามันทํางานเกิดดับของมันอย่างนั้นหาระหว่างขั้นไม่ได้ถ้ามีอะไรมาขั้นมาตั้นกาลางเอาไว้เราก็ทนตายเรียกว่าสันตติอันห้าเกิดกับดับพร้อมกันเป็นสันตติอย่างนี้นอกจาก<ม>เวลา ตายหลูกคุมามันก็ว่างจากลมหายใจไปดูลูกไปได้ยินเสียงมันก็สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันอย่างนี้เรียกว่าขันห้าหมุนขันห้าเกิดกับดับฟ้องกันหมุนเป็นวัฏจักรสงสารอยู่อย่างนี้เกิดภกนี้แล้วก็หมุนไปพพนะ โลกหมุนขั้นห้าหมุนคำว่าหมุนคือมันไม่เทีย่ยงอันนีจังนะมันเป็นอั น, นิีจังทุกครั้งหมุนกันอย่างนี้เป็นสันตติเห็น ข, นนนขันห้าหมุนโลกหมุนขันห้าหมุนเป็นวัตจักรเป็นวัฏสงสาร เวียนห่หยได้เกิดอยู่อย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดต่อเมื่อเรามาเห็นไตรลางยานหรือเห็นอนิยสัต์สีจึงจะดับวัฏสงสารเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นอนิจจังมันเป็นทุกขังอนัตตาเราจึงจะเกิด ปัญญาพิมุขหลุดพ้นจากขันห้าดับวัตถุสงสารได้เห็นว่าดับด้วยไตรลางยานนี่ดับด้วยอริยสัจสนีนะ่ดับด้ว ย, ย, สสนะวยเห็นว่ามันเป็นทุกข์นี่แหลทำไมยังไม่ยืดเอาทุกข์มาแบกเอาทุกข์หลงแล้วหลงว่ามันมีตัวตนสัตว์โอค้นนี่แหละมันเกิดมันดับ ไม่รู้ว่ามันเกิดเอกนับเองเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตดัดตานะเป็นอยู่เช่นนั้นเองนะไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลอย่านี้นั่นพวกปัญญาอ่อนอวิชชารู้ไม่จริงก็หลงว่ามีสัตว์บุคคลตัวตนนอกเขาอย่านนั่นเมื่อขันห้ากเกิดดับจะเปิดอุปทานเอาขันหา้านั่นแหละว่าโดยยอดอุปทานขันห้านี้นกิดือทุกข์ ถ้าใครดับอุปทานก็น่าดได้ก็ดับทุกได้ดับด้วยอ น, นิจจังทุกครั้งอนัตต า, าดับด้วยความรู้ว่ามันไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเนี่ยมันเกิดเองเป็นเองนี่ไม่มีใครมายึดมาถือเอาเงนเกิดอยู่วันละหมื่นครั้งแสนครั้งหมุอยอย่างนี้ก็ดับวัฏฏะสงสารได้เราคิดเราก็ว่าเป็นมิมุติเนี่ย ดับสมมุดลงสมมุติทั้งหลายเรองย่อลงสมมุติไทยลงมาใจดวงเดียวลงมาคันห้าย่อมาอยู่นานสิย่อลงมาใจดวงเดียวสมมุติก็สมมุติออกจากใจดวงเดียวนจึงเรียกว่าสมุติไทยเหตุเกิดทุกข์เพราะว่าใจไปยึดเอาสมุติไปแบกเอาสมุตินี่จึงเรียกว่าสมมุดไทยสมมุติมันกว่า เหมือนกับทะเลมั่งาสมุท่านยังเรียกว่าสมุทรใจไปยึดเอาสมุทรก็เรียกว่าสมุทรไทยเหตุเกิดทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ไปยึดเอาแล้วก็เกิดได้เห็นลูกก็อยากได้ลูกนั่นเสียงนี้ขึ้นมาก็เรียกว่าตัณหากรรมตัณหาภาวะตัณหาทีภาวะตัณหาก็เกิดขึ้นมาวิปัสนานี่แหละวิปัสสนมันจะมาขัดแย้งตัวนี้ เราได้ยินได้เชื่อมันไม่รู้ว่ามันอะไรพอจาได้ไหมีนะิปะสะนูกิเดสสิบอย่างอาภาโสแสงโอคาสว่างสวัยภาษาบาลีเรียกว่าอาภาโสภาษ า, ทาไทยเรียกว่าโอคา่าแสงต่างๆเกิดขึ้นวัน ต่อไปก็ปเกิดเป็นภาพเกิดเป็ น, นมิตฉ์จงๆขึ้นเกิดเป็นเสียงขึ้นมาตามกันมาเรื่อยๆพอมันเกิดแสียงอ้พายขึ้นมานเกิดปิติความอิมออ่มอกอิ่ใจเกิดขึ้นครับแสงเสียงยัปั้งลงมาปิตีเกิดซ้อนขึ้นบัตรสติความสงบเกิดซ้อนขึ้นวางจากทั้งอื่นมาอยู่กับแสงกับเสียงนิ่ง อาทิโมความเชื่อโวยเด็ดขาดเราเห็นแล้วเราเห็นแล้วเห็นด้วยจิตด้วยใจยอย่ขวางเห็นด้วยใจจิตต์ใจยอยู่ขวางปากข้างน่ะความเพียรยิ่งเกินพอดีสุขขางสูงเกินพอดีขึ้นมาญานังเกิดปัญญาอย่างอุปัฏฐานังสติก้าายิ่งเกินพอดีอุเบกขาบางเฉย นี่กันติความยินดีพอใจในอิปัสสนก๙อย่างภูกติดไว้ในกิตในใจของเราใครจะมาบวกมาว่ า, วายัางไงไม่ฟังเหรอท่านดึงไม่ออกเ่รเป็นบ้าต่อไปเป็นจำนวนให้สืบต่อเป็นริปประละิปัสสนนี่จึงเป็น อันตรายต่อวิปัสนาเป็นอันตรายต่อวิปัสนาวิปัสนาคืออะไรวิปัสนาหมายเอาความเกิดดับของขันธ์หมายถึงปัจจุบันนรรัรนทำวิปัสนูนี่ทำให้ขาดปัจจุบันนธรรมมันจะคุ่งไปในอดีตอนาคตไม่ยอมให้เราเห็นปัจจุบันนธรนทจึงเป็นอันตรายต่อวิปัสนา นิพัสนาคือมาเห็นปัจจุบันทำปัจจุบันนั่นทำคืออะไรคือขันห้าเกิดดับท่านหมายเอาขันห้าเกิดดับจึงเป็นอันตรายตอ่อวิปัสสนาวิปัสสนาความหมายถึงปัญญามนาุขขันห้าเกิดดับขันห้าเกิดดับ สิ่งน้เกิดสิ่งนั้นต้องดับมาเห็นอันนี้จึงเรียกว่าิปัสสนาเอาเข้าใจไหมล่ะถ้ากันนอนรับฟังอีกขันห้าเกิดดับนี่หรือปัจจุบันนั่งรำคือขันห้าอีกอาศัยกันเกิดปัจจุบันนั่ธรรว่าคือลมให้ยายหอามันเบิ่งเพื่อนไปเลยวัน่งดูเ่ินในพิปัสสนนเลยวางจากลมให้ยาหนี วางจากแันห้านี้ไปไม่เห็นปัจจุบันนั้นทปัจจุบันนั้นทก็หมายออกแผนห้าเกิดดับนี่แหละปัญญาการมาเห็นเกิดดับสิ่งได้เกิดสิ่งนั้นต้องดับยังจินจีสมุททยทธรรมพยากรณ์ญยากรณมาเห็นนั้นสัพพตังนิโรธาธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้น เป็นธรรมดาแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาเห็นเกิดเห็นดับก็เห็นดวงตายเห็นธรรมก็จะไปเห็นที่ไหนเห็นธรรมนะก็เห็นมันเกิดมันดับเป็นธรรมดาเนี่เห็นปัจจุบันน่ะธรรมเนี่เห็นขั้นห้าเกิดดับจะไปเห็นที่ไหนมันเกิดยังไงลูกเวทนาทั้งาทั้งฐานทันเกิดกับดับพร้อมกันมันเกิดยังไง ในรูปของเราก็มี ừ, กายกับใจเรียกว่าขันธ์ขันธ์ลูกกำนำอาศั ย, ยด้วยกันใจก็อาศัยอยู่ในกายเมื่อตาหูจมูกเล็บกายเย้วยกันรับจากบทบกคำโดดภายนอกมามันก็ส่งมาบอกใจใจก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาเรียกว่าเวทนาจําอารมณ์มาเรียกว่าสัญญา นำอารมณ์สัญญาไปปรุงแต่งติดก็เรียกว่าสังขารกายกับใจเิงอาศัยกันเกิดเกิดแล้วก็ดับเรื่อโลกเกิดกับดับพร้อมกันขั้นห้าเกิดกับดับพร้อมกันอย่าไปติดโลกถึงขั้นห้านะักพิชุมอย่าไปไปวิ่งตามโลกวิ่งตามอารมณ์วิ่งตามขั้นห้านะมันเกิดกับดับพ้อมกันมันหมุนอย่างนี้นี่ปัจจุบันนั้นท มันหมุนอยู่อย่างนี้เป็นอันนี้แจ้งทุกครั้งอันนี้ไดเรีย่ยบอกหมุนอยู่อย่างนี้โลกหมุนอยู่อย่างนี้คันห้าหมุนอยู่อย่างนี้หมุนเป็นวัฏจักรสงสารเวียน่ายได้เกิดอยู่ตลอดวันคันหวันหนึ่งคันห้ามันจะเกิดกี่พบกี่ชาติถึงพบชาติของกิจพบชาติของคันหพบแล้วพบเราอันนี้อันนั้นพบ นอกจากเวลานอนหลับนอนหลับยังไปฝันเองนะฝันหายังทำงานอยู่สะดุลงเตียง น, นิดหน่อยเรียกว่าฝันถ้านั่งอยู่ก็เรียกว่าคิดถ้าเข้าสมาธิอยู่ก็เรียกว่านิมิตนะัเรียกคนละอาการกันแต่ก็อันเดียวกันหนหลงเรียกคนละมันเป็น คนนอนหลับมันก็เป็นอาการหนึง่งก็เรียกว่าฝันถ้านั่งอยู่ก็เรียกว่าคิดถ้าเข้าสมาธิก็เรียกว่านิมิตมันก็เป็นอยู่อย่างนี้หมุนเป็นมัจกะสองสามอยู่อย่างนี้พระนิพพานคืออะไรพระเจา้าข้าพระนิพพานคือดับสนิทแปลว่าดับสนิทดับอะไรสนิทพระเจ้าข้าดับวัตถุสองสาม บัตรโ่สสารคืออะไรรู้จักบ้างเพื่อขันห้าเวียนว่าจะเกิดอยู่เนี่ยมันเกิดแล้วเกิดเล่า ว, วันหนึ่งวันหนึ่งคนก็เลยไม่รู้จักว่าขันห้าเกิดขันห้าตายมันเกิดดับเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละปัญญารู้แจ้งซึ่งโลกดูแจ้งซึ่งอารมณ์รู้แจ้งซึ่งขันห้ารู้แจ้งซึ่งสมมติ มันไม่เป็นรู้แจงทีไหนหรอกโล ก, กวิถีน่ะรู้แจงซึ่งโลกก็โลกไว้ิดหน้อยนี่ฮะทำไมเรียว่าโลกกินน้ําลมไฟรับการสงขรเรียกว่าโอกาสโลกวิญญาณเรียกว่าสัตว์โลกสัตว์โลกมาอาศัยอยู่ในโอกาสโลกเขาจึงมาเรียกว่าโลก นี่แหละโลกใบน้อยๆโลกกับวิถูรู้แจกชึงโลกพระพุทธองค์ไม่เป็นรู้ที่ไหนดอกรู้แจกชึงโลกโลกกับทันห้าก็าอันเดียวกันนั่นนะลูกหนึ่งน้ำสีดินน้ำลมไฟนี่เเรียกว่าลกูกอากาศคือช่องว่างอยู่นี่รู้อูกในคอเราในกระมอมในลำไส้ในอหนี่ก็เรียกว่าอากาศ วิญญาณเราในอากาศก็คือโูกวิญญาณก็คือนามคือใจกายกับใจก็คือขันห่านี่โลกกับขันห่าอันเดียวกันบางทีก็เรียกว่าโลกบางทีก็เรียกว่าขันห่ามันเกิดมันเกิดไม่ใช่เกิ ด, ก ด, กดรอดท้องแม่แมานั่นนั่นพบท่องแม่นะพบที่เป็นมนุษย์นั่นเองพบของขันห่าน หมายถึงคั้นาหามันทำงานเป็นปัจจุบันตายหลงดุกปัจจุบันนัธรทมหมายถึงคั้นห้าเปิดปัจจุบันนัธรรมพวกวิปัสสนูจึงไม่เห็นปัจจุบันนั่นทำมันไปดูทางโงโงว่างปัจจุบันนี้ไปไม่เห็นลมหายใจอย่าฟ้อไม่เห็นความเกิดความดับไม่เห็น มีแต่ลูกจะพึ่งจะพื่ไปไม่เห็นใจแล้วญาณนี่แหละปัญญาโลกุตตะลกโลคุตตะลปัญญาปัญญาดับโลกได้ท่านเรียกว่าโลกุตตะลปัญญาปัญญาที่ทัศนาเล็งเห็นอริยสัจสี่ไม่ได้อยู่ที่ไหนเห็นว่าทุก ทุก็คือขั้ห้าเกิดับเห็นว่าอนิจจังก็ขั้นห้ามันเกิดมันดับมันไม่เที่ยงเห็นอ น, นิจจังเห็นทุกข์ขังก็เห็นเนี่ยมันเกิดมันดับนี่แหละคือทุกข์เห็นอนัตตาไม่อยู่ใต้พุทธพันธ์ชลาอะไรมันเกิดแล้วมันดับแล้วเองของมันไม่มีตัวตนไม่มีเจ้าของเออวันนี้ก็สแสดงมาก็สมควรใช้เวลา เอาล่ะเอวัง